วิศนุกรรมเทพระบุตรก็กลับไปพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรหนทางที่เดินมาทางเดียวก็คิดว่าที่นี่คงจะเป็นที่อยู่ของพวกนักบวชก็ให้พระนางมัสยีให้พระโอรสทิดาประทับอยู่ในที่นั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในอาสมบททอดพระเนตรเห็นอักษรก็คิดว่าเท้าสกะทรงพระราชทานพระองค์ก็เปิดประตูบรรณสาราเสด็จเข้าไปเอาพระขันและธนูออก เปลืองเครื่องเปลืองผ้าสาดกถือเพศหรือสีถือไม้เท้าสเสด็จออกมาหาพระกุมารพระกุมารีด้วยความสงบเช่นกับพระประเจ ก, กับพุทธเจ้า น, นะคือพระเวสสันดรเนี่ยนะโดยมากเกือบเกือบจะทุกชาติมั่งท่านเป็นนักบวชมาตลอดใช่ไหมพอเข้าไปนุ่งห่มแพร่แบบนั้นปั๊บก็เป็นนักบวชเหมือนกับพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าทันทีเลยนะแม้พนางมัตสีเห็นพระโพธิสัตว์มาก็มอบลงแทบพระบาทร้องให้เนี่ยนะ ตามเดิมอ่ะนะดอกโศกก็แบ่งบานเหมือนเก่านี่ยแหละเสด็จเข้าไปยังอส ม, มบทพร้อมกับพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปยังบรรณสาลาพระองค์ก็ถือเพศเป็นฤาษีภายหลังก็ให้กุมารกุมารีเป็นดาวบทบวชหมดเลยทั้งสี่องค์พระโพธิสัตว์ก็ขอร้องพระนางมัสสีว่าตั้งแต่นี้ไปเราเนี่ยเป็นนักบวชแล้วธรรมดาสตรีเนี่ยนะเป็นเครื่องเศร้าหมองแก่พรหมจรรย์มณฑินเนี่ยแปลว่าความเศร้าหมอง บัดนี้เธออย่ามาหาเราในกาละอันไม่สมควรอย่ามาค่าคืนนะถ้ามาก็ต้องพาลูกมาทั้งหมดด้วยว่างั้นพนางก็รับว่าดีแล้วพระเจ้าข่าแล้วก็ขอพรพระโพธิสัตว์บ้างว่า <c oughs> นะขอพรเ น, นี่ยนางมัตสีก็ขอพรว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์จงทรงดูแลโอรสธิดาอยู่ณนะบนนารรณศาลาเธอหม่อมชั้นจักสแสวงหาพลาพมาถวายอันนี้คือพร น, นะ ไม่รู้พรพร น, นะก็คล้ายๆก็เรียกวาปวรณานะเดี๋ยวจะหาผลไม้มาถวายก็แล้วกันแต่ว่าขอร้องช่วยดูลูกหน่อยก็แล้วกันตั้งแต่นั้นพระนางมัสยีก็นําพลาผลมาแต่ป่าพลาผลพละบวกอลันะลาเนี่ยนะพลาแปลว่าผลเล็กๆอภัะก็แปลว่าผลใหญ่ๆเราผลน้อยผลใหญ่มาจากป่ามาปรนิบัติชนทั้ง3กษัตริย์ทั้งสีพระองค์เนี่ยประทับอยู่ณหลือภูเขาวงกฏประมาณ7เดือน ก็อยู่ไปจนถึง7เดือนเขาบอกว่าสถานที่อยู่นั้นเนี่ยนะภายใน7เดือนเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์แม้เดรัจฉานทั้งปวงก็มีเมตตาต่อกันโดยกินเนื้อที่3โยอดโดยรอบในรัศมี48กิโลเมตรจากตรงนั้นไปเนี่ยนะหมูสัตว์เนี่ยมีเมตตาต่อกันหมดเลยยนะสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาต่อกัน ทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยประทับอยู่ในป่าผ่านไปเจดเดือนจิตาพรามชูชกชาวเมืองกะลิงครัตเอกเมืองนี้เมืองดังนะเมืองมาขอช้างอะ่ะเลชาวเมืองกะลิงครัตเนี่ยนะเมื่อภริยาชื่อว่าอมิตตาตาปนาคือพรามชูชกเนี่ยเขาไปฝากเงินไว้กับเพื่อนพันหนึ่งทีนี้เพื่อนเออเขาไปขอทานได้มาได้เงินมาเจดได้มาพันหนึ่งทีนี้มันไม่มีธนาคารนะก็ไปฝากเพื่อนไว้แล้วก็ไปเที่ยวขอทานต่อ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 พวกเมียเหล่านั้นก็พากันไปต่อว่านางอมิตตาปนานางอมิตตาปนาก็เสียอกเสียใจยก็บอกก็เลยกล่าวม า, มาบอกกับชูชคะ น, นะชูชกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะรับใช้เธอเองก็บอกโอ้แต่กูนฉันไม่ใช่สามีรับใช้อย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นตั้งกันนี้ไปถ้าหากว่าไมา่ถ้าไม่มีคนใช้นี่ไม่ยอมเหมือนกัน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 ท่านจงไปขอพระโอรสพระธิดาของพระองค์มาให้เป็นคนรับใช้ของเราเถอะชูนะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะก็ยื่นคําขาดไปละให้คำด้วยกันชูชกก็ไม่ละไม่สามารถจะละเลยคําคําขอร้องแกมอะไรนะแกมบังคับแล้วก็ยื่นคําขาดละทอย่างด้วยกันบอกถ้าท่านไม่ไปนะฉันจะมีผัวใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยนะก็เลยเออยอมยอมแล้วก็เลยไปแล้นี่ชูชกก็ไม่สามารถจะละเลยคําของนางเพราะว่า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 ทำให้พระราชของพวกเราได้รับความพินาษแล้วยังมีหน้ามาถึงที่นี้อีกก็คือรู้อยู่แล้วว่าชูชกนี่มาจากเมืองไหนมาจากเจตระรัฐใช่ไหมเออขออภัยมาจากกะลิงครัฐใช่ไหมก็ไอเมืองกะลิงครัฐนี่แหละมาขอช้างจึงถูกถูกไล่หนีไปเพราะฉะนั้นก็พามาจากกะลิงครัฐอีกแล้วเหรออ่า น, นะก็เลยชวนกันไล่ตะเพิดพชูชกไป ต่างก็ถือก้อนดินท่อนไม้ดาว่าติดรรมพราหมชูชกไปพราหมณ์ชูชกนั้นะด้วยเทวดาดนใจก็ออกจากกรุงเชตุดรก็เดินตรงไปยังทางที่จะไปเขาวงกตถึงประตูป่าโดยลําดับก็ยังลงสู่ป่าใหญ่นีนะหนะลงทางเที่ยวไปตะเลิดตะเลิดไปพบกับในพรานเจตบุตรที่พระราชาแต่งตั้งไว้เพื่ อ, อรักขาที่ประตูปา่านนะ ในพรานเจตบุตรก็ถามว่าท่านจะไปไหนพราหม์ชูชกก็บอกว่าจะไปหาพระเวสสันดรมหาราชเจตบุตรก็คิดว่าอิตพรามณ์คนนี้น่าจะไปทูลขอพระโอรสพัทถดาหรือไปขอพระเทวีของพระเวสสันดรเป็นแน่ก็เลยขู่ตะเคาะตะพราหมณ์ว่าท่านจะไปที่นั้นนะหากท่านไปเราจะตัดหัวท่านเสียในที่นี้แหละแล้วก็ให้สุนัขของเรากินชูชกถูกขู่ก็กลัวตายก็กล่าวเทศว่า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 ครามนั้นออกจากที่นั้นในระหว่างทางก็ไปพบกับอ จ, จุตะดาบทถามถึงหนทางอ จ, จุตะดาบทก็บอกทางให้จึงเดินไปตามทางเครื่องหมายที่อ จ, จุตะดาบทบอกไปถึงที่ตั้งอาศมบทของพระโพธิสัตว์โดยลำดับก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ในเวลาที่พนังมัสซีเนี่ยไปหาผลไม้เพื่อจะไปทูลขอกุมารกุมารีทั้งสองอย่างที่พระองค์ตรัสว่า เมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่ชูชกพรามก็เข้ามาหาเราได้มาขอบุตรทั้งสองของเราคือมาขอบพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเมื่อพรามทูลขอพระกุมารกุมารีแล้วอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เกิดโสมนัส ด, ดีใจนะดีใจด้วยประสงค์ว่านานแล้วอย่าจบไม่ได้มาหาเราวันนี้เราจักบำเพ็ญฐานบารมีโดยไม่ให้มีเหลือ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 ให้ลูกนั้นเดิมเคี้ยวรากผลผลไม้ก่อนอยู่ค้างสักคืนหนึ่งพอหายเมื่อแต่เช้าตรูค่อยไปก็คือพระเวสสันดรเนี่ยก็อยากให้บอกว่าให้ลูกเขาได้เจอหน้าแม่เขาหน่อยแต่เราให้แล้วละให้ลูกก็กินอยู่กับแม่เขาสักคืนหนึ่งแล้วค่อยไปพราหมณ์ก็คิดว่าพระเวสสันดรนี่พระราชทานกุมารกุมารีเพราะมีอัธยาศาัยกว้างขวางแท้ แต่พระนางมัสสีพระมานดานเนี่ยนะมีความรักบุตรกลับมาก็จะทําอันตรายแก่ทานได้นี่นะบอกผู้หญิงเนี่ยนะไม่แน่หรอกแล้วกเกิดเขาไม่ให้จะว่ายังไงพยะะัญชนะอะไรก็เลยทูลข อ, อทูลแค้นใครพระเวสสันดร น, นั้นแล้วพาโอรสทั้งสองอ น, นะไปในวันนี้ให้จงได้ก็กราบทูลว่าหากพระองค์พระราชทานโอรสทั้งสองแก่ข้าพระองค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแสดงแกพระมัสสีเทวี ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านให้ลูกแต่เราแล้วเนี่ยไปเจอแม่เขาทำไมันข้าพระองค์จะพาโอรสทั้งสองไปในวันนี้แหละพระเจ้าข่าพระเวสสันดรก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์หากท่านไม่ปรารถนาจะเห็นพระนางมัทสีราชบุตรีท่านก็จงพาทารกทั้งสองไปยังกรุงเชตุดอนพาไปบ้านเมืองของปู่เขานะณที่นั้นพระเจ้าสรนชัยมหาราชจะรับเอาทารกทั้งสองแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแกท่าน ท่านจากมีท่าหญิงท่าชายได้ด้วยทรัพน์นั้นและท่านก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายอีกประการหนึ่งทารกทั้งสองนั้นก็เป็นสุคุมารชาติเธอทั้งสองจักไปปรนิบัติรับใช้ท่านได้อย่างไรเนี่ยนะก็เอาไปหาปู่เขานะปู่เขาจะให้ทานพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะทําอย่างนั้นได้ข้าพระองค์เกรงพระราชอาทยาเดี๋ยวก็เนึกว่าข้าพระองค์เนี่ยไปพรากผู้เยาว์มาจะว่าไงตัดหัวแน่เหมงอนกัน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 ก็คือไอ้ที่จริงวิธีนีเนี่ยถ้าไม่ถ้าเด็กเนี่ยหนีว่าเดินถอยหลังลงน้ำอ่ะนะที่จริงก็เหมือนกับว่าให้พ่อเน่เห็นเนี่ยว่าหนีไปที่อื่นแล้วขึ้นจากสระน้ำแล้วทีนี้มันมีแต่ขาอะไรขาก็เดินขึ้นแต่ไม่เห็นขาลงพรอองค์ก็รู้ก็เลยเรียกว่าลูกทั้งสองรักเออลูกลูกรักทั้งสองจงขึ้นมาเถิดลูกทั้งสองอยาได้เป็นอันตรายแกฐานบารมีของพ่อเลย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 พ่อชาลีลูกรักถ้าหากว่าลูกต้องการจะเป็นไทยพึงให้ทองคำหนึ่งพันแท่งแก่พราหม์แล้วก็จะได้เป็นไทยส่วนแม่กันหาชินาลูกรักเนี่ยนะเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมว่าเดี๋ยวคนอื่นมาจ่ายค่าตัวถูกๆแล้กวก็ไปเสียเสียวงหมดเพราะฉะนั้นลูกควรลูกควรจะได้อย่างละหนึ่งคือธาตชายร้อยธาตหญิงร้อยช้างร้อยม้าร้อยโคสภา่ร้อยทองคำร้อยแท่ง แล้วลูกจะเป็นไทยเนี่ยนะราคาตูแพงกว่าลูกชายมากเพราะว่าคนที่จะมีของมาแลกได้ขนาดนี้ได้จะต้องเป็นกษัตริย์เนี่ยก็จะไม่เสียวงไปโปรงตีราคาค่าตัวลูกทั้งสองนี้แล้วก็ปลอบพากันกลับไปยังอาสมบทเอาคนโทสายน้ำแล้วกห็หลังลงในมือของพราหมณ์ทำให้เป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญยุตยาน พระองค์เกิดปีติโสมนั์เป็นอย่างยิ่งยังมหาปติพีให้บลือลั่นกัมปนาศได้พระราชทานบุตรอันเป็นที่รักแม้ในครั้งนี้แผ่นดินก็ได้หวั่นไหวเออก็ได้ไหวในครั้งครั้งที่4แล้วใช่หัหยที่พระองค์ตรัสว่าเพราะได้เห็นยาจกเข้ามาหาความร่าเริงได้เกิดขึ้นแก่เราในครั้งนั้นเราได้พาลูกทั้งสองมาให้แก่พราหมณ์เมื่อเราสละบุตรทั้งสองของตนให้แก่ชูชกพราหมณ์ ในการใดแม้ในการนั้นแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะครั้งนั้นพราหมณ์นี่ก็เอาเถาวัลย์เนี่ยนะผูกพระหัตต์ฉุดค่าทารกทั้งสองผู้ไม่อยากจะไปพระหัตต์ที่ผูกนั้นก็เลือดก็ไหลออกจากผิวหนังอันนั้นก็เชือกแข็งกระด้างเนี่ยไอ้มันแข็งมา ก, กนะ เ, เพราะฉะนั้นเป็นลูกกรรษัตริย์ที่ไม่เคยอะไรด้วยก็ผิวนี่ก็บาด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 คือคือพระชาลีเนี่ยนะเขต่อว่าหลายอย่างแล้วก็พูดถึงความเลวร้ายของชูชกเนี่ยนะครับว่ามีความชั่วติดตัวอยู่สิอย่างนะนะแสดงว่าชาลีกุมารนี่ดูละเอียดมากชูชกเมื่อกุมารกุมารีร่ําให้อยู่อย่างนั้นก็โบยฉุดกระชากแล้วก็ตีตีเนี่ยนะเรียกว่าเหมือนต้นโคงันพระโพธิสัตว์เกิดความเศร้าโศกเป็นกําลังเสียใจมากด้วยความสงสารลูกทั้งสองที่ร้องให้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 ทีนี้หลังจากนั้นพระนางมัสซีเนี่ยที่ไปหาพราพนมาจากป่าก็กลับมาจากป่าเทพพญดาทั้งหลายก็แปลงกายนะเป็นมรุกร้ายกั้นทางไว้ด้วยคิดว่าพระนางมัสซีอย่าทำอันตรายแก่ทานของพระโพธิสัตว์เลยเมื่อมรุกร้ายหลีกไปแล้วพระนางก็เสด็จเข้าไปอาสมก็ไปช้าไปที่จริงก็คิดแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันไม่ดีนะเมือ่อก่อนที่จะไปเนี่ยก็ฝันฝันไม่ดีแล้วละ่ะแล้วก็เกิดนิมิตร้ายอีก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 ที่เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องก็เลยพูดสักคําหยาบเสียหายว่าแม่มัสซีผู้มีรูปสมบัติอันประเสริฐเป็นราชบุตรีเป็นผู้มียศเจ้าไปสแสวงหาหมูลพลาพลแต่เช้าไม่ใช่หรือฉนัยเจ้าจึงกลับมาเย็นสะเล่าคือคําพูดนี่มันแปลว่าไปทําอะไรอยู่ทําไมกลับมาดึกเดินป่านี้เธอไม่รู้หรือว่าเธอนี่มีลูกมีสามีแล้วทําไมจากไปนานขนาดนี้ก็ เ, เป็นคําพูดถักทางนะคาพูดถักทางก็เรียกว่าเบนประเด็นเนี่ยนะ ก็เสียใจอี ก, กอนะก็อ้อนวอนเกือกอธิบายอยู่นานเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็นิ่งอีกพระนางก็ทูลถึงเหตุที่ทำให้ล่าช้าแล้วก็ถามหาทารกทั้งสองพระนางมัสสีเนี่ยนะด้วยความเศร้าโศกถึงบุตรก็รีบออกจากที่ตรงนั้นเนี่ยนะไปหาไปหาลูกอีกเ็าบอกว่าสถานที่พระนางมัสสีเที่ยวค้นหาในคืนนั้นเนี่ยคำนวณประมาณ15โยชน์ก็ประมาณ240กิโลเนี่ยนะ คืนนั้นเนี่ยเดินทางอยู่ทั้งคืนประมาณ240กิโลเมตรเนี่ยนะเรียกว่าเดินจนสว่างอะเดินจนสว่างอะนะคืนนั้นแสดงว่าก็เป็นคนแข็งแรงมากเลยนะขั้นรุ่งสว่างพระนางก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ประทับยืนถูกความโศกมีกำลังครอบงำเพราะไม่เห็นลูกจึงล้มลงสลบบนพื้นดินแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์นั้น อ, ะ, อะนะดุดดุดะไรดุกล้วยถูกตัดเหมานกน พระโพธิสัตว์ทรงหวั่นไหวด้วยสำคัญว่าพระนางมัสสีนสิ้นพระชนก็เกิดความโศกอย่างใหญ่หลวงตั้งสติไว้มั่นคิดว่าเราเนี่ยร เ, เราจารู้ว่าพระแม่มัสสีจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดเจเดือนนี้ไม่เคยถูกต้องกายกันและกันเลยเพราะไม่มีอย่างอื่นนะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยยกพระเสียรของพระนางวางบนบนบ น, บนรุคือขาของตัวเองก็เอาน้ามาพระพรมลูบตัวลูบ อ, อกลูบพระหัตตลูบมือลูบใจเนี่ยนะ พนางมาัตสีเอาเลาผ่านไปเล็กน้อยนางก็ได้สติเกิดหิริโอตปะเนี่ยนะก็ละอายนะละอายใจเหมือนกันว่าตอนนี้ก็เป็นนักบวชแล้วก็เลยถามว่าลูกทั้งสองไปไหนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนเทวีพี่ได้ให้บุตรของเราเพื่อเป็นทาสของพราหมณ์คนหนึ่งที่มาขอกับพี่พนางมาัตสีนี่จะเป็นคนทั่วไปนโกรธตายเลยนะแต่นี้พนางมาสัสีทูลว่าข้าแต่พระองค์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 คนที่มีจิตใจขนาดนี้ก็ามาถือว่าเป็นผู้ที่มีใจไม่ธรรมดาเมื่อกษัตริย์ทั้งสองเนี่ยนะสนทนากันเป็นที่สำราญใจของกันและกัน น, นะพอรู้ความจริงเขาเอาทุกคนมีความสุขกันหมดเลยอ่ะนะอนุโมทนายินดีตามระลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีอยู่นั่นแหละ mm hmm. ครั้งนั้นท้าวสักกะก็คิดว่าเมื่อวานเนี่ยมหาบุรุษพระมหาบุรุษยังปฏิพีให้กึกก้องกกัมปนาศพระราชทาน พระราชโอรสทิดาแกตชูชกวันนี้จะต้องมีบุรุษชั่วเข้ามาหาพระองค์แล้วทูลขอพระนางมาสัสสีแล้วก็จะพาเอาไปเสียอีกแต่นั้นพระโพธิสัตว์ก็จะหมดที่พึ่งเอาเธอเราจะแปลงเพศเป็นพรามเข้าไปหาพระองค์ทูลขอนางมัสสีทําให้พระโพธิสัตว์ทรงถึงเอายอดของพระบารมีสละให้แก่ใครๆอีกแล้วคือถ้าให้ครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะ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 แขกของเรามาแล้วทาปฏิสันฐานอย่างอ่อนหวานกับพรามนั้นก็ตัดถามว่าท่านพรามท่านมาที่นี่เพื่อประสงค์อะไรท้าวสากาก็ที่แปลงเพศมาจากเทวโลกก็มาขอนางมาสัสีผู้มีศีลมีเจริยวัตรอันงามกับเรา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 ดดวางรัตนอันหาค่าไม่ได้ลงในมือที่เหยียดออกพระองค์นิร่าเริงยินดีคำขอของพราหมณนะนะ์เนี่ยนะคำขอนั่นคาขอพนางมาศีเนี่ยนะคำนั้นเหมือนกับหยิบเงินเอามาให้เป็นพันๆนะ่ะดีใจเท่านั้นน่พระองค์ได้ยินดีมากทำภูเขาให้ดังเกลกกล้องกัมปนาศว่าวันนี้ธานบารมีของเราจะถึงที่สุด